ดอกบัวในกองอยากเยื่อพระพุทธภาสิทธิยทธาสั่งการะธานัสมิงอุดชิตตัสมิงมห้าประเทศปุมังตัดทะชาเยทะสุติคันทางมโนรมังเอวังสังการะผูเตสุอันทภูเตปุถุชนอันติโรจติปัญญายะสมาสมุทธะซ า, าวโกดอกบัวเกิดในกองอยากเยื่ออันบุคคลทิ้งไว้ริมทางใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจฉันใด ภาษาพวกของสมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดแล้วในหมู่ปุถุชนผู้มืดบอดอันเป็นประดุจกองอยากเยื่อย่อมรุ่งเรืองกว่าปุถุชนเหล่านั้นด้วยปัญญาฉันนั้นอธิบายกว่าธรรมชาติดอกบวกัวไม่ว่าเกิดในกองอยากเยื่อหรือเกิดในเปือกตมย่อมทรงกลิ่นหอมเป็นที่รื่อนรมใจหามีกลิ่นเช่นกับเปือกตมหรือกองอยากเยื่อใหม่คงรักษาคุณภาพตามธรรมชาติแห่งตนไว้เข้าทำนองไม้จันทร์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น อาสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยข้อสู้หีบยนก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งคำสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแม้เกิดในหมู่คนผานอยู่ในหมู่คนผานก็หาเป็นผานไปด้วยไม่มีแต่จะกลับใจคนผานเหล่านั้นให้เป็นคนดีไม่ปราบตัวไในทางเลวสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรุ่งเรืองด้วยปัญญาอยู่เสมอพระศาสนาตลอดพุทธภาสิทธินี้ปราลบในคระหะทิน เรื่องนายคราหัินและสิริขุดในเมืองสาวัตถีมีสหายกันสองคนคนหนึ่งชื่อคราหัินเป็นสาวกของนิครนหรือพวกมหาวีระคนหนึ่งชื่อสิริขุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องจากสองสหายรักกันมากจึงปรารถนาให้เลื่อมสายในฐานะอันควรเลื่อมสายอย่างเดียวกันวันหนึ่งคราหัินได้รับคําแนะนําจากพวกนิครนให้ชักชวนสิริขุดไปเลื่อมสายในพวกตน หากสิริคุตไปเรื่อมใสในพวกตนได้ลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นเพราะสิริคุตเป็นคนรวยและมีพวกมากพระหทินก็ทำตามคำของอาจารย์มันชักชวนสิริคุตบ่อยๆว่าคบหาสมาคมกับพระสมณะโคดมนั้นไม่ได้อะไรสู้เคารพนับถือพวกนิครนอาจารย์ของตนไม่ได้จนสิริคุตรู้สึกราคาญวันหนึ่งสิริคุตจึงถามว่า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 ไปเถิดสายจงนิมนต์พระผุ้เเจ้ามาฉันที่บ้านของฉันวันพรุ่งนี้กระหัินดีใจรีบไปบอกพระคุณเจ้านิครนของเขาสริคุตพูดกับท่านเองเลยเหรือนิครนถามเขาพูดเองข้าพเจ้าได้ยินมากับผูเองเดี๋ยวนี้เองกระหัินยืนยนันพวกนิครนรา่าเริงยินดีเป็นนักหนาพูดกันว่าสำเร็จแล้วเมื่อสริคุตเลื่อมสายพวกเราแล้วสมบัติทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราบ้านของสิริคุตใหญ่โตโมโหลานนัก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 ทำตุมเปล่าเหล่านั้นให้เปรอะเปื้อนด้วยเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมมองดูเหมือนมีของเหล่านั้นอยู่เต็มตุ่มแล้วให้วางเรียงรายไว้หลังเรือนวันรุ่งขึ้นคราหทินรีบไปยังเรือนของสริคุตแต่เช้าตรู่เพื่อดูว่าอาหารและสถานที่พร้อมหรือไม่เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วก็กลับไปขณะที่คราหทินออกไปพวกนิครนก็มาถึงสริคุตออกจากเรือนไปต้อนรับ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 จึงเข้าไปนเรือนเมื่อจะนั่งพวกบริวารของสริคุตก็กล่าวว่าเมื่อพระขุนเจ้าเข้ามาสู่เรือนของพวกข้าพเจ้าควรรู้ธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงนั่งควรทําอย่างไรนิครนถามพวกของสริคุตกล่าววา่าท่านทั้งหลายควรยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ใกล้อาสนะของตนของตนเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วจึงค่อยนั่งพร้อมกันพวกนิครนนึกชมเชย อ, อยู่ในใจว่าธรรมเนียมนี้ดี จึงประกาศให้รู้ทั่วกันว่าจะต้องนั่งพร้อมกันเมื่อพวกนิครนพอนั่งเท่านั้นพวกมนุษย์ได้ดึงเครื่องลาดออกดึงเชือกให้นิครนพวกนั้นตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้วปิดประตูตีพวกที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าพอสมงเแล้วก็เปิดประตูปล่อยไปนิครนพวกนั้นไปยังเดือนของคราหทินคราหทินเห็นดังนั้นโกรธมากรีบไปเฝ้าพระราชาฟ้องว่า สริขุททากับนิครณอันเป็นที่เคารพน้ับถือของตนของตนดังนี้ดังนี้ขอให้พระราชาลงโทษสิริขุดโดยปรับเป็นเงินสักพันกระหาปณะนะพระราชาทรงส่งหมายไปยังสริขุดศริขุดทูลมาว่าขอให้พระองค์ทรงสอบสวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรับหากยังไม่ได้สอบสวนอย่าเพิ่งให้ปรับพระราชาทรงเห็นชอบกับข้อเสนอของสริขุดพระราชารับสั่งให้สิริขุดซึ่งเป็นจำเลยให้การขาวทุน เล่าเรื่องทั้งปวงตามเป็นจริงให้พระราชาทรงทราบและย้ำว่าอยากจะทดลองว่าพวกนิครนรู้สิ่งทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงดังคําของขาราชินหรือไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลของความโอ้อวดในสิ่งอันตนไม่รู้จริงพระราชาตรัสถามขาราชินว่าจริงอย่างนั้นหรือไม่เมื่อขาราชินทูลรับว่าจริงพระราชาจึงตรัสว่าเจ้ายินดีคบพวกนิครนซึ่งไม่รู้เรื่องแม้เพียงเท่านี้ แต่โอ้อวดว่าตนรู้ยังสอนสาวว่าให้โอโอวดซิอีกเจ้าเองนั่นแหละจะต้องถูกปรับหนึ่งพันกหาพนะดังนี้แล้วปรับพระหทินหนึ่งพันกหาพนะพระหทินโกรธศริคุตมากไม่พูดด้วยช่นนานต่อมาคิดอุบายว่าควรจะแก้แค้นสริคุตบ้างโดยหลอกล่อภิกษุสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของสริคุตเข้าสู่สกุลของตนแล้วโบยตีทํานองเดียวกับที่สริคุตทำแก่นิครน คิดดังนี้แล้วจึงแทรงมาทําพูดดีกับสิริคุตอีกว่าสหายสิริคุตธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาดกันบ้างเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่พูดกับข้าพระเจ้ากับข้าพเจ้าเพราะเหตุไรสิริคุตตอบว่าสหายที่ข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้าก่อนสิ่งที่แล้วไปก็ขอจงแล้วไปเถิดอย่าถือโทษกันเลยเราทั้งสองจะไม่ทําลายไมตรีกันจําเดิมแต่นั้น ทั้งสองได้รักใคร่สนิทสนมกันดังเดิมอีกต่อมาวันหนึ่งสิริกุตได้กล่าวกับคราหัินว่าท่านกบนิโครอนอยู่จะมีประโยชน์อะไรท่านนับถือพระพุทธเจ้าและถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือคราหัินอยากได้ยินคํานี้อยู่นานแล้วพอสิริกุตพูดขึ้นก็เหมือนเกาวถูกแผลคันคราหัินจึงกล่าวว่าพระาศาสดาของท่านรู้อะไรบ้างสิริกุตตอบว่าพระาศาสดานั้นได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นสัพพันญู รอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้นั้นไม่มีพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมกําหนดรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายได้ไม่มีกําหนดไม่มีขอบเขตสหายหคราทินกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องนี้เลยคบกันมานานนักหนาท่านไม่เคยบอกสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้แก่ข้าพเจ้าขอท่านจงทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้ สิริคุตรักปาคราหทินแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมและทูลว่าคระหทินสหายของข้าพระองค์ขอให้ทูลนิมนต์นพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนห้าร้อยสวยพระทหารที่เรือนของเขาในวันพรุ่งนี้สิริคุตได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่ตนกระทําแก่พวกนิครณให้พระาศาสดาทรงทราบและเสริมว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าคระหทินให้อรัธนาพระองค์ด้วยบริสุทธิ์ใจหรือมีความคิดแก่แค้นขอพระองค์จงพิจารณา หากเห็นสมควรก็จงรับเห็นไม่สมควรก็อย่าทรงรับพระศาสดาทรงส่งพระญาณไปสำรวจ ด, ดูทรงทราบเหตุทั้งปวงแล้วทรงรับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของพราหัินและมหาชนเป็นอันมากฝ่ายขราหัินปราบเรื่มด้วยคิดว่าการแก้แค้นที่รอคอยมานานจักมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วจึงให้ขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังให้น้ำไม้ตะเคียนมาประมาณแปดสิบเล่มเกวียนสมไฟไว้ตลอดคืน ให้กองฐานเพลิงไม้จะเขียนไว้วางไม้เรียบไว้ปากหลุมปิดปด้วยสื่อลำแผนทาด้วยโคไม้สดคือขี้วัวสดลาดไม้ผูไว้ด้านหนึ่งด้วยหมายใจว่าเมื่อพระเหยียบที่ไม้ผูกจกต้องตกลงมาในหลุมฐานเพลิงอย่างแน่นอนต่อจากนั้นให้วางตุ่มเรียงรายไว้ทํานองเดียวกับที่สิริคุดเคยทําสมัยเชนิครนสิริขุดไปบ้านของขราสินแต่เช้าถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารและที่นั่งที่ประทับ เมื่อทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีใจเมื่อทราบว่าพระศ า, ศาสดาจะเสด็จบ้านของคราห์ตินประชาชนก็มาประชุมกันเป็นอันมากทั้งฝ่ายนับถือพระพุทธศาสนาและฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามคิดว่าจยากได้เห็นอาคารอันปราดของพระศาสดาส่วนฝ่ายพุทธสาวกต้องการฟังพระธรรมเทศนาพิจิตตอันวิจิตพิสดารด้วยพุทธรีลาอันประเสริฐวันรุ่งขึ้นเมื่อพระศาสดาเสด็จ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 เมื่อพระองค์แด้สาวกตกลงไปในหลุมฐานเพลิงก็จะถูกกดทีโบยตีดังนี้แล้วรับบาดพระศาสดานำเสด็จและกล่าวทูลว่าทำรรเนียมในบ้านของตงนีว่าเมื่อพิสุรูปหนึ่งเข้ามาในบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วภิกษุรูปอื่นจึงคคนเข้าไปทีละรูปครหาห์ตินทูลอย่างนี้ก็โดยประสงค์ให้ภิกษุตกลงไปในหลุมทีละรูปแล้วขมขีเบียดเบียนพระศาสดาทรงรับว่าดีแล้วและเสด็จเข้าไปพระองค์เดียวก่อน พราทินนำเสด็จพอถึงหลุมฐานเพลิงถอยออกไปยืนอยู่ให้พระศาสดาเสด็จไฟข้างหน้าพระโลกนาผู้อนาวรณญาณทรงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดทรงเหยียบพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสือละแผนหายไปดอกบัวประมาณเท่าล้อเกวียนผุดขึ้นบนหลุมฐานเพลิงนั้นไฟดับสนิทพระศาสดาทรงเหยียบดอกบัวไปประทับนั่งณอาสนะที่ขาปูร่าดไว้แม้พิกสุทั้งหลายก็ไปทนองเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้น ครหัตินเกิดร้อนตัวรีบไปหาสิริคุตโดยเร็วบอกว่าขอท่านจงกันที่พึ่งของข้าพเจ้าโดยเถิดทําไมล่ะสิริคุตถามไม่มีอะไรเลยอาหารสําหรับพระไม่มีเลยแลแล้วครหัตินได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ศิริคุตทราบสิริคุตบอกว่าลองไปสำรวจดูอีกทีอาหารอาจมีในตุ่มก็ได้ครหัตินไปเปิดตุ่มดูปรากฏว่าทุกตุ่มมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นเต็มปริ พระราชินเห็นดังนั้นเอิบอาระเดีปิติปราโมทเลื่อมสายพระาศาสนายิ่งนักอังคาดภิก ษ, สษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเมื่อสวียเสร็จแล้วพระาศาสนาทรงอนโมทนาว่าเพราะไม่มีปัญญาจักสุคนบางพวกจึงไม่รู้คุณของพระองค์และพระสาวกผู้ไม่มีปัญญาจักสุชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดส่วนผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นผู้มีจักสุเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท่าสังการทานสมิง เป็นอาธิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นแปล